ิิ่งเดถามผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีคนนับหน้าถือตามากพอสมควรหลังๆรู้สึกแปลกใจที่เมื่อเข้าไปเป็นประธานงานบุญใหญ่ๆแล้วรู้สึกเฉยๆแต่กลับลืมปีติอยู่นานกับการได้ทำประโยชน์เล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อบุรุษปริศนีส่งจดหมายผิดบ้าน ผมก็เดินเอาไปส่งให้ถูกบ้านด้วยมือตนเองตอบนั่นสแสดงให้เห็นว่ากำลังใจในการทำบุญเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดสมนัดครับหากกำลังใจอ่อนสมนัตก็เกิดเพียงน้อยหากกำลังใจแรงสมนัดก็เบ่งบานมากการก่อกรรมหนึ่งหนึ่งนั้นการตัดสินว่าได้บุญหรือบาปเพียงใด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 กำลังใจที่ใช้ก้าวเดินก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและอย่างที่กล่าวแต่ต้นว่ากำลังใจยิ่งมากโสมนัสก็ยิ่งแรงแถมนี่เป็นการให้พลังกายเป็นทานโดยไม่หวังผลตอบแทนปราศจากโลภเจืออยู่จิตมีแต่อาการเล็งไปว่าถ้าเขาได้รับจดหมายก็ไม่ต้องคลาดสารจากผู้สง่งจึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดคุณจึงปราบเลื่มยินดีได้นานเพราะนั่น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 สมณดจึงอ่อนหรือแทบไม่มีเลยความปลาบปลืม้มหรือความอิ่มใจว่าเราทำบุญจะได้มาแต่ไหนอย่างไรก็ตามอย่าเข้าใจว่าเป็นประธานงานบุญแล้วไม่ได้บุญนะครับอย่างไรบุญก็คือบุญโดยเนื้อหาของตัวเองแต่คุณตกลงใจไปเป็นประธานงานบุญเท่านั้นก็ได้บุญในฐานะประธานงานบุญแล้วผลย่อมเกิดขึ้นมากหรือน้อยช้าหรือเร็ว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 ก็ต้องมีคนช่วยให้สมบัติกลับมาสู่มือคุณเสมอมนกันสิ่งที่เธอดันต้องเธอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องคนดู้ไหรเหตุผลไอ้แตโทษฟ้าโทษดังอาในความจริงที่เป็นทุกอย่างด้านเับนะเธอจะไม่จะดี อยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องการการกระทงของเธอในคิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไร้